รับช رح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ا ن ف ع إ ن ا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنقسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ر บหนาเอ ا ินาหมิลล์ดุนคาร ل ห์มะตะ ر ูฮีลนาหม ح นอ ل ل รีนาระะอัลลลฮร์ซุบฮานะฮฺวะตะลาอัลฮัมดุลิลลาฮฺร่วยังได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับในหลายๆเรื่องในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นอัลฮัมดุลิลลาฮฺวันนี้นะครับสุรุตุชูรอ เป็นอายัด ท, ที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปนะครับหลังจากที่เราเมื่ อ, อสัปดาห์ก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้เรียนเนาะสัปดาห์ก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อธิบายได้พูดถึงคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาได้สั่งให้ท่านน บ, บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมยุยนยัดย่บนเาสนาที่พระองค์ กำหนดมาเป็นบทบัญญัติให้กับมวลมนุษยชาติและพระองค์ก็บอกว่าบรรดาคนที่พยายามจะโต้แย้งกับ Allah. อัลลอ์พยายามที่จะไปสร้างความสงสัยพยายามที่จะ อ, อ, อะไรนะูจดีีนฟอ อัลลีนยูฮาจูนะิลลาคนที่พยายามจะตั้งข้ อ, ง, ของัดข้อกับอัลลอฮฺจุลละงัดข้อกับศาสนาอิสลามงัดงัดข้อกับสัจธรรมจากอัลลอ์เนี่ยข้อโต้แย้งของพวกเข า, าดให้เรานรับฟังไม่ขึ้นนี่คือสิ่งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอายะห์ที่สิบเจ็ดนี้ มีความสืบเนื่องแต่อายัด ท, ที่ผ่านมาก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และต่าอลจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าฮุด จ, จ์หรือว่าค๊อสัจธรรมของอัลลอฮ์ س ب ح น ن ه และต่อลที่เป็นรากฐานคืออะไรทำไมที่การโต้แย้งของบรรดาพวกมุชริกีนคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อละต่าอัลลอฮ์จึง ไม่สามารถจะทําลายหลักฐานของพระองค์ได้ในอายะที่ส <Gab> ิบเจ็ดน <t> ี้พระองค์จะพูดถ <início> ึงอัลสลุลฮุจัดรักฐานของฮุจจ์ของ Allah ของพระองค์ Allah ที่พระองค์ได้กําหนดลงมาในศาสนานี้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันอายะที่สิบเจ็ดจากสุร atusshura อันสักสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมันเป็นกลุ่มอายัดเดียวกันอลลอฮฺประ a l l ه h u l َ a d h i an-Nazal al-kitab bil-haq wal-mizan, وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ ق َ ر ِ ي, ي ب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا มุชฟิกุนมินห์และวَะล ن มุนอันน์นั ณผَู้ีَจะมาในเว ا าที่ลึกลับและไกลโพ้น ل ل l a h u l q a y ي ف m بعباده يرزق ما يشاء وهو القوي العزيز มันแَ่น่าย خ ِ ر َ ة ِ نَزِدْ لَهُ فِي ح َ ر ْ ث ِ ك ะ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا เราติมินนัีบอาอขอเ้าอวยเ้าอวยรขอพราอวยพขอเ้อพรเ้าอวยรขอพรจอขะเ้อวยพรเายพรจ้อวอะเาอยพร้ายพรเจ้าอะเอยรอายะจ้าอวอเายจ้อวยพรเาอยะายรขอเายเจ้นอระารจรจยรรายพมขอพจรรยาย นะครับหนึ่งในความมหัศจรรย์ของ อ, อัลกุรอานก็คือเวลาที่เราอ่านแค่อายัดเดียวความหมายของมันก็สมบูรณ์คือเราสามารถที่จะถอดบทเรียนจากแต่ละอายัดได้เลยเวลาที่เราอ่านหลายหลายอายัดรวมกันหรือพยายามที่จะโยงความหมายสองอายัดสามอายัดสีอายัดมันก็จะเพิ่มความสมบูรณ์ของความหมายมากขึ้นไปอีกเข้าใจที่ผมพูดไหมครับสมมติเนี่ยอายัดที่สิบ ถ้าเราอ่านอายะที่1ิบเจ็อายะเดียวมันก็จบนะหมายความว่าเราเข้าใจนะสามารถที่จะถอดบทเรียนของมันได้เลยไม่ต้องไปโยงกับอายะไหนเราก็เข้าใจมันได้เลยอย่างเช่นที่อัลลอฮบอกว่าอัลลอฮุลลาีอันลลกิบะบิลฮักกวัลมซเข้าใจเลยอัลลอ์ผู้ทรงประทานอัลกุรอานการประทานคำพีลงมาพร้อมๆกับอัลมีซันอัลมีซนก็คือตาชั่งแห่งความยุติธรรมเข้าใจม เข้าใจจบว่าไม่ยุดรีก a l a ัลลาซาอาตาคารีใครจะไปรู้ว่าวันกียมันมันย่ยบางทีอาจจะใกล้เข้ามาแล้วจบอายะห์ที่ส7บเจ็ดพอถึงอายะห์ที่สิบแปดยอสตาอัยิรูเคือแต่ละอายะห์เนี่ยมันก็มีความหมายของมันถ้าเราอ่านอายะห์เดียวเราก็เข้าใจได้เนื้อหาได้ความสมบูรณ์ในความหมายนั้นแต่เวลาที่เราหาขอ้อ ที่มันสามารถจะเชื่อมโยงกันได้ระหว่างอายัตแต่ละอายัดเนี่ยมันก็จะมีมิติอื่นที่เพิ่มเข้ามาให้เราได้มีความลึกซึ้งกับมันเข้าไปอีกนี่คือความมหาศ จ, จา์ของอัลกุรอานอัลกิริฟานั้นแล้วแต่ว่าใครจะเรียนอย่างไรนะหรือหาแง่มุมหาบทเรียนจากอายัดอัลกุรอานในแต่ละอายัดสมมติสุรอก์อื่นก็เหมือนกันอย่างสุร่าอ ah. ัลฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีเข้าใจไหมความหมายของมัน จบไหมมวลการสรนเสริญเป็นสิบชิ้นขอลเราเข้าใจเลยวจบแค่นั้นเราก็ได้ได้บทเรียนจากมันเยอะแยะมากมายแต่เวลาที่เราเพิ่มอัลรอฮ์มัลลิคีอุมิดดินมันก็จะมีมิติอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับอายัดแรกอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อสังเกตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานหรือ่เวลาที่เราเรียนพยายามที่จะถอดบทเรียนจากอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องลองใช้ทั้งสองแบบดูใช้แบบ เอาแต่ละอายัดถอดบทเรียนจากแต่ละอายัดออกไปได้เหมือนกันและแบบที่สองก็คือพยายามที่จะโยงอายัดที่เรากำลังอ่านอยู่นี้กับอายัดก่อนหน้านี้กับอายัดข้างหลังหรืออายัดอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องในโซห์อื่นๆเราจะได้หลากหลายความหมายที่ส الله, ุบฮานะลอห์ความสวยงามของอัลกุรอานเนี่ยไม่มีวันหมดเราตักตวงเท่าไหรมันก็ไม่มีหมดสิน้นอิลลฮ์อิลลัลลอฮ์ชาลล นะอย่างอายะที่สิเจ um. an uh. ็นี di, ah ullah, awa, ่ยวันนี้อัลลอฮ์ตั้งไว้ว่าอย่างไรอัลลอฮ์ผู้ที่อัญเชิญเล่มคัตตาบะเลฮักกีวัลมิซานมีอุลามะพยายามที่จะยงอายะนี้กับอายะข้อนั้านี้ว่าอย่างไรดูอิมามสังดีรับิมาห์อลลอฮว่าย่างไรลัมมาดะคาระตาลอนจจวฎหตุนบะ بحيث استجاب لها كل من فيه خير ذكر أصلها وقاعدتها بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترجع إليه มีความเกี่ยวโยงกับอายัดก่อนหน้านี้ก็คือหลังจากที่อัลลอฮฺบอกว่าหลักฐานหรือพุทธของพระองค์เนี่ยเป็นพุทธที่ชัดแจ้งชัดเจนมาก ผู้ปฏิเสธศรัทธาพยายามจะโต้เถียงกับอุจจะหรือหลักฐานของ Allah เนี่ยไม่สามารถที่จะโต้เถียงได้เลยไม่สามารถที่จะงัดข้อกับอุจจะของพระองค์ได้มันก็จะมีคําถามขึ้นมาว่าอะไรละ่ะคืออุจจะของ Allah อะไรคือหลักฐานของ Allah ที่พวกมุสลิกนไม่สามารถจะเอาชนะได้คืออะไรนี่ไงพระองค์ได้พูดถึงรากฐานของอุจจะในอิสลาม ที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้กับบรรดานาบีของพระองค์ให้กับบ่าวของพระองค์อยู u, all al al ่ในอายะที q q ่17น ah ั่นก ah ็คืออัลลอบ์ผู้ประจักษ์ประการที่หนึ่งผมใช้คำว่าหระจั์นี่ผมไม่รู้จะแปลภาษาไทยว่าอย่างไงหุะจัก์ก็คือหลักฐานที่ไม่มีใครสามารถจะโต้แย้งได้อันดับแรกเลยอัลกิฏฺบบิล Allah ผู้ทรงประทานคำภีลงมาด้วยความจริงนี่คือหุจจ์ที่ไม่มีใครสามารถจะโต้แยง้งกับหุจจ์ในข้อนี้ได้ไม่สามารถจะโต้แย้งได้ยังไงถ้าสามารถโต้แย้งกับอัลกุรอานได้คนกลุ่มแรกเลยนะคนกลุ่มแรกเลยที่คิดว่าน่าจะมีความสามารถในการที่จะโต้แย้งกับอัลกุรอานได้ก็คือ พวกโอเรชเพราะอะไรโุเรชเป็นเจ้าของภาษามีความเชี่ยวชาญเรื่องภาษาไม่มีใครปฏิเสธในสมัยนั้นถ้าจะเอาเรื่องภาษาอาหรับต้องยกนิ้วให้พวกโอเรชให้คนอาหรับทีนี้อัลกุรอานเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาอาหรับฮูรุฟเดียวกันไหมอัลีบัตาซาจิมกันทั้งยาเนี่ยอัลกุรอานก็มาจากภาษาอาหรับที่มีฮูรุฟเช่นเดียวกันมาจากอัลี มาจากลามาจากมีมาจากซอดมาจากนูนมาจากกอฟถูกต้องไหมนะมาจากซูรุตชูเราก็เริ่มต้นด้วยฮามีมาจากฮามาจากมีภาษาที่พวกเจ้าพูดในแต่ละวังแล้วพวกเจ้าก็ภูมิใจนักภูมิใจนะกับภาษาอาหรับที่ว่านียอัลกุรอานก็เป็นภาษาเดียวกันกับพวกเจ้าถ้าสมมุติอัลกุรอานไม่ใช่ของจริง พวกเจ้าอ้างว่าอัลกุรอานนี่เป็นสิ่งที่มุฮัมมัดประดิษฐ์ขึ้นมาเองงั้นลองเอามาพวกเจ้าลองทำมาอัลกุรอานให้เหมือนกับที่มุฮัมมัดเอามาอ่านให้พวกเจ้าฟังดูสิขอสักหนึ่งอายัดได้ไหมขอสักหนึ่งโซโลได้ไหมทําได้ไหมครับทําไม่ได้ คนที่เก่งภาษาอาหรับที่สุดในหมวกกุไรชไม่สามารถจะเอาอัลกุรอานเอาคําพูดใดที่มาเทียบเคียงกับอัลกุรอานได้เพราะฉะนั้นหุจจะอัลกุรอานนี่เป็นอุจจะเป็นหลักฐานที่หมวกมุสลินคนที่เก่งภาษาอาหรับที่สุดไม่สามารถจะโต้แย้งได้นี่คืออันที่หนึ่งส่วนอันที่สองนะบางคนบางคนที่ไม่เชื่ออัลกุรอานแต่แรกไม่เชื่อว่า ความจริงที่อัลกุรอานเอามาพูดเนี่ยอาจจะเป็นการกลุกขึ้นแต่ไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งแต่ละประธานลงมายังมีฮุจจะอันที่สองฮุจจะอันที่สองเนี่ยที่อัลลอฮ์แต่ละประธานลงมาให้เช่นเดียวกันนั่นก็คืออัลมีซานซุบฮานะลออัลกุรอานคืออัลล Asmaillah, kambuklah cakap Allah Subhanahu Taala di perhatian dengan dalam rubahkan kampi. Allah Taala berkata bahawa kiamat akan berlaku, langit ada, neraka ada. Ini adalah yang Allah Taala katakan. Banyak orang tidak percaya. Allah Taala memberikan perhatian kepada orang lain. Ini adalah perhatian Allah Taala. อธิบายของบรรดาอุลามะเนี่ยนะครับมีสองแบบอ่านะมีสองความหมายอัลมีซานตรงนี้เนี่ยบ้างก็อธิบายว่าหมายถึงตาช่างที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการช่างของอนะ่นะอ่าคำว่ามีซานในภาษาอัดับเนี่ยมันแปลได้สองแบบก็คือตาช่างที่เอาไวช้ช่างช่างช่างน้ำหนักอะ่ะเพื่ออะไรเราช่างของเพื่ออะไร เพื่อที่จะได้รู้ว่าน้ําหนักเท่าไร่เวลาชั่งของเนี่ยต้องชั่งให้มันเท่ากันใช่ไหมสมมติสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีกิโลกิโลสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิโลสมัยก่อนไม่รู้ใครเคยใช้บ้างอ่ะเวลาจะชั่งน้ําตาลหนึ่งกิโลเอาอะไรไปใส่เอาก้อนหินเอาก้อนหินหรือว่าเอาเอาน้ําหนักที่มันเท่ากันใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้อนเหล็กก้อนเหล็กอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเอาหนึ่งกิโลตั้งไว้ตรงนี้แล้วเอาของที่เราจะชั่งไปตั้งอีกไปตั้งอีกฝั่งหนึ่ง ถ้ามันเอียงแสดงว่าใช้ได้ไหมไม่ได้ใช้ได้ต่อเมื่อมันจะต้องมันจะต้องเท่ากันอันนี้เป็นรูปเป็นรูปธรรมเลยตาช่างที่เป็นรูปธรรมนะครับในขณะที่อุลามะที่ส่วนใหญ่แล้วอธิบายว่าอัลมีซานในอายัดนี้โดยเฉพาะในอายัดนี้เนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงนามธรรมนั่นก็คือความยุติธรรมและ ความชอบธรรมอัลกุรอานเป็นฮุจจะเป็นหลักฐานพยานที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสั์จริงแต่บางคนก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่ออัลล์ไม่เป็นไรไม่ยอมไม่ยอมรับสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานา ะ, ะ, ะัลละนั้นมาดูอันที่สองอันที่สองเนี่ยคือความยุติธรรมความเที่ยงธรรมซึ่ง มันมีอยู่ในตัวของมนุษย์ความยุติธรรมเนี่ยอะไรเป็นเกณฑ์บางทีมนุษย์ไม่มีศาสนาบางคนอ้างว่าไม่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อศาสนาไม่เชื่อนุ่นนี่นั่นแต่เชื่อในความยุติธรรมเข้าใจไหมครับแล้วถามว่าไอความยุติธรรมเนี่ยเอามาจากไหน มนุษย์เอื้องความยุติธรรมนี่เอามาจากไหนเอามาจากไหนครับเอามาจากาวานัตซูเอามาจากความคิดหรือเอามาจากอะไรความยุติธรรมเนี่ยซุบฮะแนนละมันมีอยู่ในสิทธระของมนุษย์ทุกคนชอบความยุติธรรมหมดเลยมันมาจากไหนอลัลลอฮ์เป็นผู้ประทานความรู้สึกชอบความยุติธรรมเนี่ยให้กับมนุษย์ผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าสติปัญญา ถ้าปัญญาของมนุษย์เนี่ยไม่บกพร่องเขาจะคิดออกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมันถูกฝังเหมือนเป็นชิพอยู่ในอยู่ในอะไรอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นสุบฮานอัลลอฮ์บางคนไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอ์ลาบอกลองใช้สติปัญญาคิดสักหน่อยคิดสักหน่อยว่าสิ่งที่พระองค์บอก กับสิ่งที่สติปัญญามาจำแนกเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาที่ไปดูแทฟซีเนี่ยผมรู้สึกว่า <c oughs> ตทฟเซียที่ในจำนวนการอธิบายที่ดีที่สุดในการอธิบายอา ย, ายนันี้ก็คืออธิบายการแทฟเซีรของอัสซาดีสุบฮานุลลอฮ์ผมชอบมากนะครับการอธิบายของอัสซาดีนี่ท่านบอกว่าอย่างไงท่านบอกว่า ว่าอัมมัลมีซานตาช่างที่ว่านี้เนี่ยฟะฮุลอาดลูกก็คือความยุติธรรมและการใช้เกณฑ์พิจารณาด้วยวิธีคิดที่ถูกต้องใช้สติปัญญา วัลอักิรรจิใช้สติปัญญาที่มีความถูกต้องเที่ยงธรรมในการพิจารณาและเขาก็จะเห็นความจริงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราดูนะทุกคำสอนในอิสลามทุกบทบัญญัติในอิสลามเนี่ยมันสอดคล้องทั้งหมดเลยกับสติปัญญาที่ไม่บกพร่องไม่มีสิ่งอื่นมาเจือปน มันมีหนังสือในสมัยอดีตเนี่ยจะมีอุลามะที่เขียนหนังสือว่าระหว่างอันนักเลอันนักเลก็คือหลักฐานที่มาจากการบอกเล่าจากอัลลอฮ์ก็คือคํำภีของพระองค์ที่พระองค์บอกว่ากิยามันจะมีจริงบทบรรยัตทั้งหมดที่ถูกระบุในอัลกุรอานอัลกุรอานเราเรียกเราเรียกมันว่าอัลเดลาイルอัสมัยหรืออัลเดลาイルอันนักเกีย หลักฐานที่มาจากการเล่าเล่ามาจากใครเล่ามาจาก Allah เล่ามาจาก Rasul Al Quran h a d เนี่ยเราเรียกว่าดาลิลนักลีก็คือฟังมาจาก Allah ถ้า Allah าาไม่บอกว่าวันอาคิรักจริงเราไม่มีทางรู้ใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่ Allah าาบอกเล่ากับสิ่งที่สติปัญญาคิดวิเคราะห์พิจารณาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะ ชนกันไม่ถึงว่าไม่มีทางที่จะก็เรียกว่าอะไรนะไม่มีทางที่จะมันต้องสอดคล้องกันอ่ะมันไม่มีทางที่จะคลชกันโดยเด็ดขาดไม่ใช่ว่าอัลกุรอานบอกแบบหนึง่งการวินิจฉัยการวิเคราะห์ของสติปัญญาเนี่ยมันไปคนละเรื่องเลยกับอัลกุรอานเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าเป็นงานเขียนของอิบนไติเมีย ดร่อต uh, ่อการดิลนักลิและ عقل ดร่อต่อารดิลนักลิและ عقل ิอัลมาในสมัยอดีตพยายามที่จะอธิบายว่าทุกๆหลักฐานที่มีอยู่ในนัสในอัลกุรอานก็ดีในฮะดีษก็ดีและการวินิจฉัยของสติปัญญาเนี่ยมันไม่ชนกันอย่างแน่นอนไป้องลองคิดดูแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่อิสลามสอนให้เรา เชื่อสั่งให้เราทำห้ามไม่ให้เราปฏิบัติถามว่าสติปัญญาของเรารับได้ไหมทำไมอลาลาัลลอฮาสั่งให้เราละหมาดมีประโยชน์อะไรทำไมอลาลาัลลอห้ามไม่ให้เราชีริกห้ามไม่ให้เราลักพมโมยห้ามไม่ให้เราดื่มเหล้าห้ามไม่ให้เราปิดประเวณีเป็นสิ่งที่สติปัญญารับได้ไหมสุภาอัลลอฮทุกบทบัญญัติในอิสลามล้วนแล้วแต่ เป็นสิ่งที่สติปัญญาบริสุทธ์รับได้ทั้งหมดไม่มีทางที่จะมาชนกันเพราะฉะนั้นในอีกแง่หนึง่งถ้าสมมุติว่าอัลกิตาเนี่ยคือเนื้อหาการบอกเล่าจากอ Al ัลลอฮ์อัลมิซานก็คือเครื่องมือที่จะทำให้มนุษย์นั้นเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอัลกตาลาเนี่ยส่งมาทั้งสองอย่างส่งเนื้อหามาให้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจะเข้าใจข้อเท็จจริงนี้ต้องใช้มีญาณต้องใช้สติปัญญาในการทําความเข้าใจแล้วมันไม่มีทางที่จะคลชกันเลยพไม่มีทางที่จะชนกันไม่สอดคล้องกันนลยไม่มีทางโดยเด็ดค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือฮุจจะของ a l ล a h หลักฐานพยานของ Allah เนี่ยอยู่ทั้งในคําภีอัลกุรอานุลกีริม แล้วพระองค์ก็ถากถายมนุษย์มาตั้งแต่สมัยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตานจนถึงทุกวันนี้ท้าทายถึงความสัจจริงถ้าใครสามารถบอกว่าอัลกุรอานเป็นของบาลติลไม่สัจจริงงั้นมาเอาหลักฐานของพวกตัวเองมาไม่มีทางไม่มีทางที่จะมาหักล้างหลักฐานของอัลกุรอานได้เลยหรือถ้าใช้สติปัญญาในการคิดทุกอย่างที่อัลกุรอานพูดถึงสติปัญญาสามารถที่จะรับได้หมด นี่แหละคือหุ่นย์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นนักเข้าใจได้อยังครับผมกลัวจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอัลลอ์อัลลนอซัลลลิตาบเป็นทัวลมาสองอย่างนี้มาจากอัลล์ตละบทเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ผุดของมาจากอัลลอฮ์ทําีิของพระองค์มีความสละสลวย สวยงามทั้งในเรื่องของสํานวนทั้งในเรื่องของความหมายทั้งในเรื่องของน้ำหนักที่ให้พลังเวลาที่มนุษย์เอาเอาคัมอีรมาใช้ในการปฏิบัติจริงในชีวิตอัลลอฮฺลื่นไหลชีวิตของเขาลืดนไหลมีคำมีทางนำมีคำแนะนำในทุกย่างเกี่วกในชีวิตของตัวเองหมดเลยถ้าใครเอาเอาคัมภีานมาใช้นะครับ หรือนะถ้าบวกกับสติปัญญาเข้าไปอีกลอหออัลบาคือที่สุดของที่สุดนี่คือเนืหมัด น, นะครับที่เราบางทีเอออิล il นะฮ์อิละลลอ่ามีแต่คนที่มีปัญญาแลนะสังเกตดูนะอย่างเจ้าละตะลาบอกในอายะฮ์ก่อนหน้านี้อิสตุจีบัลลาหมิมบดีมัสตุจีบลลาหศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่บรรดาคนที่มีสติปัญญายอมรับกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในสมัยกุเรช์ไม่ว่าจะเป็นในสมัยหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นในสมัยของพวกเราอัลฮัมดุลิลละเป็นศาสนาที่คนที่มีปัญญาคนที่ไม่ได้บกกร่องคนที่ไม่ได้มีความวิกลจริตสามารถที่จะยอมรับและไม่ใช่แค่เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเองก็ยอมรับในสารของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลฮัมดุลิลละนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ในเมื่อเรารู้แล้วว่า หลักฐานของลองสุภาณหัตตาละสิ่งที่พระองค์ประทานมาเนี่ยมันเป็นความจริงเป็นความจริง ท, ที่สติปัญญาของมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะรับได้ว่ามายุ่ดีแค่ละละส่าตะการีไม่ใครที่จะไปรู้ว่าบางทีเกียร์มัดมันก็ใกล้เข้ามาแล้วสองอย่างนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันยังไงเพร ะ, ะทาลาบอกว่าเกียร์มัดนี่ใกล้เข้ามาแล้วนะไม่มีใครรู้นะก็จะเกิดวันไหน บางทีอาจจะเป็นพวกนี้บางทีอาจจะเป็นสุบฮานัลละไม่มีใครรู้อัลกิยามะมันมีอยู่สองสองอะไรเขาเรียกว่าอัลกิยามะกิยามะส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคนกิยามะสุกรากิยามะของแต่ละคนก็คือวันที่เขาจากโลกนี้แล้วไปอยู่ในโลกบาร์ซักก็ถือเป็นเป็นกิยามะสำหรับเรากิยามะสุกร แต่ละคนเนี่ยถือว่าเข้าสู่อีกโลกหนึ่งทันทีเมื่อไรก็ตามที่วิญญาณของเขาออกจากร่างแล้วเรารู้ไหมว่าเราจะตายวันไหนไม่มีใครรู้ความตายเดียวบางทีสุห้านอัลลอฮ์ น, นี้คือกิยมัมตุลคุ布拉ในคำว่าาที่ a l q i ย a m a t u l k u b r a one s i นโ o ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ใกล้เราแบบ ทีนี้ในเมื่อเราไม่รู้ว่าวันเกียรติจะเกิดวันไหนเราจะตายวันไหนเราไม่รู้ถ้ามันอาจจะอยู่ใกล้กับเราเนี่ยแล้วความจริงก็ประจักษ์ชัดแล้วจะรออะไรอยู่อีกอียข น, นี้เนี่ยอิบนุกะซีร์อธิบายว่าอย่างนี้ยอีกข้ น, น, นี้ถ้าเราไปดูในท ف س อิบนุกะซีร์นี่ท่านบอกว่าวะมายุดรีกะละละส اعة ใกล้ มันมีทั้งสองความรู้สึกเวลาที่เราได้ยินคำพูดนี้เจ้าละตาลาว่าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเกียรมัดจะเกิดวันไหนมันอาจจะใกล้ตัวเจ้ามากเรารู้สึกยังไงมันมีสองแบบมันมีความรู้สึกสองแบบซึ่งอิมนุกซิรบอกว่าฟีทรรีบุนฟีฮะวตาทรรีบุนมินฮะมีทั้งการปลุกใจทรรีบทาให้เราเนี่ยอยากจะ รีบกลับไปทําอามันอยากจะกลับไปหาอัลลอฮ์รีบสะสมความดีเพราะความดีที่เราทําเนี่ยเวลามันเหลือน้อยแล้วต้องรีบทําเอาจะได้กลับไป ห, Allah, บหาอัาลลอฮ์สู่มหาอัลลอฮ์และรับผลตอบแทนจากพระองค์ด้านหนึ่งมันให้ความรู้สึกกระหืดให้เราอยากจะทําดีแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ให้ความรู้สึกเตหีบทาให้เรากลัวกลัวเนี่ยเกียาาร์มัดไม่รู้จะเกิดวันไหนนะ ไอ้ความผิดความชั่วบาปที่เราทําอยู่ถ้ายังไม่รีบเตาบัตตั ว, ตวจะเตาบัตตอนไหนถ้าไม่ใช่ตอนนี้รู้ชัดเจนแล้วว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เที่ยงแท้เราจะประวิงเวลาอยู่ทําไมทําไมไม่รีบกลับเข้าไปหา Allah นะสําหรับคนที่ยังไม่ศรัทธาทาไมไม่รีบที่จะกลับมาศรัทธาต่อล l l a h سبحانه และก็ตั้งไม่ต้องมาทะเลาะกันจะมาทะเลาะกันอีกทําไม <laughs> บางคน ย, งยังอยากที่จะโต้แยง้งกับพระสละอยากจะโต้เถียงวับพระสละมันไม่มีเวลาที่จะมาโต้แยง้งโต้เถียงกันแล้วเพราะความตายไม่รู้จะมาวันไหนมนัวแต่โต้แย้งโต้เถียงแต่วันไหนละ่ะที่เราจะได้ทําความดีสะสมต้นทุนในการที่เราจะกลับไปหาพระองค์สุภาพอัลลอฮ์ น, นะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราพูดถึงอาคราเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่สองแบบนะพระสละพูดถึงในอายัดต่อไป เวลาที่พูดถึงอาครามันจะมีคนอยู่สองแบบย์สต์ะจิลูบิฮัลลัีนาลัยุบินูนบิฮันี่คนประเภทที่หนึ่งไอ้พวกที่ไม่ศรัทธาเนี่ยก็จะเยอะเย้ยไหนวันอัคราที่บอกว่าใกล้ๆแล้วนี่อยู่ที่ไหนเยอะเย้ยพวกกูรชเยอะเย้ยท่านนาบีนท่านบอกว่าวันอัคราเนี่ยใกล้มาแล้วไอปเพนเกิดสักทีหนึ่งสุดท้ายมั็นยังไงตายหมดไหมพวกมุชลิมกินตายหมดไหมตาย <laughs> นี่แหละอ้ลราเหรอคนที่ไม่ศรัทธาจะเยาะเย้ยและเรียกร้องให้เกิดเหวเหว่ในขณะที่บรรดาคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะมีความรู้สึกยังไงวะววลดีนอามานูมุชฟิคูนมินงาผู้ศรัทธาจะไม่เยาะเย้ยคนที่ศรัทธาว่าวันเกียรมันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะอวันเกรกจะกังวลกังวลว่าวันอาคิรัชเนี่ย จะต้องเจอกับอะไรบ้างวยะมูนะอันฮัลฮกในขณะที่กังวลพวกเขาก็มั่นใจว่าวันอนัครีรันจะต้องมาอย่างแน่นอนไม่ใช่กังวลแบบตื่นตระหนกไม่รู้จะทำอะไรทำตัวไม่ถูกไม่ใช่ตื่นตระหนกกังวลตรงนี้หมายถึงกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะกลับไปหาแล้วได้เตรียมอะไรไว้บ้าง รู้ชัดว่าวันอัคราจะมาถึงเพราะฉะนั้นจะไม่ทำตัวเหลวแหลกไรสาระไปวันๆโมกมินจะไม่ใช้ชีวิตอย่างนั้นในเมื่อกังวลในเมื่อกลัวว่าตัวเองจะต้องไปเจอกับอะไรในวันอัคราเนี่ยก็จะเตรียมวันนี้ทำอะไรบ้างทำสั่งอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำอะไรบ้างที่เราํำสั่งห้ามอะไรบ้างที่เรายังทำอยู่ยังไม่ยอมละทิ้งบาปอะไรบ้างที่ยังไม่เตาบัตเนี่ยมกมินจะรีบ จัด ก, การตัวเองก่อนที่วันเกียรมัดจะมาถึงแในขณะที่ไอ้บรรดาพวกคนที่ไม่ศรัทธ า, าต่อล l l a h ไม่ศรัทธาต่อวันเกียรมัดไหนมาเลยอรออยู่วันเกียรมัดจะถึงวันไหนละอ้ายละเบิดละละฮาวละวะลากูว่าแต่ลาีะเบิดละบรรดาคนที่พยายามจะโต้เถียงไม่ยอมศรัทธาต่อวันเกียรมัดเนี่ย อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอย่างไรคนเหล่านี้อยู่ในการหลงทางที่ห่างไกลเหลือเกินอิลลัฮ์อิลลัลลอฮพี่น้องครับลองสังเกตดูคนที่มไม่มีอาคิรห์อยู่ในหัวใจเขาใช้ชีวิตอยู่ยางไงในแต่ละวันนะอูดุบิลละฮิมินดาริกอิลลฮ์อิลลัลลอฮอยากจะกินอะไรอยากจะใช้อะไรอยากจะทำอะไรไม่เว้นแต่ละวันเราเห็น ขาเราเห็นนู่นนี่นั่นประจักษ์พยานต่อหน้าเราแล้วคนที่ไม่มีอัคคีรัตน์อยากจะทำอะไรทําได้หมดไม่มีความยุติธรรมในดุนีย์นี้อยากจะทําอะไรทําได้หมดเลยไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะอูซุบิลละหิม้นซะะละนะอูซุบิลละฮ์ลาฮาวะละวะลากูเวตอิลละบิลละการไม่สัตยาต่อวันอัคคีรัตเป็นเหตุให้มนุษย์เนี่ยห่างไกลจากความจริงอยู่ในความหลงทางที่ กูไม่กลับละเรียกร้องเท่าไรไม่กลับละนคนที่จมปลักอยู่ในยาเฮเลียเนี่ยไม่มีอะไรที่สามารถจะดึงคนเหล่านี้กลับขึ้นมาได้นอกจากอิสลามเท่านั้นยากมากไอ้คนที่ยักยอกเงินคนอื่นไอ้พวกแก๊งทอร์เซนเตอร์หมดไปห้าร้อยล้านถามว่าอะไรที่จะทำให้คนพวกนี้กลับใจได้เข้าคุกเป็นสิบสิบปีออกไปมันก็ยัง ต้องทาอีกไม่มีทางหลงที่จะหยุดเพราะอะไรเพราะไม่มีอกติได้ที่เกี่ยวข้องกับวันเกียร์มัตมีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําให้คนที่ทําชั่วอยู่ในโลกนี้นี้หยุดทําชั่วก็คือต้องเชื่อในวันเกียร์มัตเท่านั้นถ้าไม่เชื่อในวันเกียร์มัตโลกนี้ทําไปจบจบในโลกนี้มันไม่มีทางที่จะไปกลับไปอีกเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลย ความชั่วนี้จะยังคงดำรงอยู่อย่างนี้แหละในโลกดุนีย์นี้ตราบใดที่มนุษย์ไม่มีอกีะเกี่ยวกับวันแกมัตตุ سبحان الله และใน ظلال بعيد เราจะเห็นมนุษย์หลงผิดอยู่ในสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยตราบใดที่พวกเขายัางคงอยู่มารูน้นะปิดฉากตราบใดที่พวกเขายัางคงลังเลสงสัยเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของวันยามัต์ أ س ت غ ت و ب إليه لا إله إلا الله ا ل ي ف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز استغفر الله อายัดนี้เนี่ยเหมือนกับกาลังจะปลอบใจโดยเฉพาะยางยิ่งปลอบใจเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ย กับดุนยาเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรเพราะดุนยาคือสถานที่ทดสอบผู้ศรัทธาโดยเฉพาะเลยนะคือทุกทดสอบเนี่ยแล้วแต่ละทดสอบมันลดทุกคนแต่ผู้ผูศรัทธานในโลกดุนยาเนี่ยจะถูกทดสอบมากกว่าคนอื่นๆเวลาที่เราบอก เ, เวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยท้อแท้ส่วนใหญ่เราจะเหนื่อยและท้อแท้เกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเอาเอาความจริงมาพูด เวลาที่ผู้ศรัทธาท้อทแท้เนี่ยเรารู้สึกท้อทแท้เรื่องอะไรรู้ไหมรู้อะไรครับเรื่องอะไรครับเรื่องที่เราพยายามสู้ดุนยาแต่ดุนยามันสู้กลับ <c oughs> สุบฮะอัลลอฮ์สูกต้องไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัละะลอฮ์ทูลาบอกว่าผู้ศรัทธาเอย๋ยอย่าได้รู้สึกท้อทแท้เลยอัลลอฮฺละทิฟุนเบบัลอัลลนั้นทรงเอ็นดูพวกเจ้า มาดูคำพูดของอัสซาดีน่าสนใจไมนะอัลลลเตฟับิ عبادهمعنى ว่าอัลลัติยุดรักอัลหม่าอิรอัลลัตยุซลิ عباده และพิเศษนักอ่านนินอีลาแม่ฟิห์ล ي ر ิลห์มแม่ฟิห์ล ي ر ิลห์มมินพิซุลาญลามุนและลาญทัศบุนความหมายของอายะนี้ก็คือว่าอัลลอฮทรงรู้ดี ความรู้สึกของพวกเจ้าความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกเหนื่อยกับดุเนียความรู้สึกทอดแท้ของเราที่เราจะต้องดูพวกที่ไม่ศรัทธาต่อโลกนี้มันใช้ชีวิตอยู่ในดุเนียอย่างสุขสบายในขณะที่พวกเราที่ทําไมบททดสอบเยอะเหลือเกินในโลกดุเนียนี้พอเรารู้ดีว่าพวกเจ้ารู้สึกยังไงและพระองค์นอกจากจะรู้เล่าทีฟเนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะรู้และส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเรา บางทีการทดสอบของเรามีฮิกมัดบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังใครรู้ดีที่สุดอัลลอฮ์รู้ดีที่สุดที่พระองค์กําหนดให้เราต้องเจอแบบนั้นแบบนี้เป็นความเอนดูจากพระองค์พระองค์ทรงรู้ดีเพราะฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้เลยอะอายัดนี้เนี่ยเหมือนกับจะพุ่งเป้ามาที่พวกเราทุกคนเลยเอาพวกมุสลิกีนพวกกาฟิรีนพวกมุนาฟิรีนพยายามที่จะสร้างข้อสงสัย พยายามที่จะโจมโจมตีความถูกต้องขออิสลาั้งทำให้เราเกิดความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกท้อแท้อ่านอียกยนี้อัลลอฮุลลอตีฟุนบิอิบะดีในโลกสู้เราใช่ไหมเราสู้โลกแล้วนลกสู้เราไม่เป็นไรอัลลอฮุลลอตีฟุนบิอิบะดเราได้รับจากนยาเท่านี้ยารุซุกูแมนยาชาขอให้เราเข้าใจว่าอัลลอ์เป็นผู้ประทานริกีให้กับเรา ได้มาเท่าไหร่นั่นแสดงว่าเป็นริสกีของเราเท่านั้นแลราสุขุมอิยาชัลลอห์ต้าลจะให้กับคนคนี้เท่านี้เพราะพระองค์รู้ว่าคนคนเนี้ยมันเหมาะกับริสกีเท่านี้อีกคนหนึ่งได้เยอะกว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดิว่าเยอะกว่านะไม่ได้แปลว่าพระองค์อยุติธรรมกับอีกคนหนึ่งในดุนีย์เนี่ยให้เท่านี้อ่ารอรออะไรรอวันอัคราอัต่อไปอินชาอัลลอฮ์ซุบฮะร่าวะตะละ เพราะฉะนั้นนะวะฮุวัลกาวิยุลอาซิสพระองค์น่ะเป็นผู้ทรงแข็งเข้มแข็งผู้ทรงมีอำนาจผู้ทรงไม่สามารถที่จะทําให้พระองค์นั้นเพียงพ้ําได้โดยเด็ดขาดพระองค์มีความอ่อนโยนมีความเอ็นดูแต่ความเอ็นดูของพระองค์ไม่ใช่เกิดมาจากความปอนแอรของพระองค์นะพระองค์มีความสามารถมีความเข้มแข็งนะแต่พระองค์ก็กําหนดทุกอย่างตามสิ่งที่พระองค์ต้องการให้มันเกิดขึ้น ตามฮิกมะ ท, ที่พระองค์ต้องการจากเบาวของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรู้สึกอะไรตราบใดที่เรายังเชื่อในอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺจาละขอให้เราเชื่อว่าทุกอย่างที่พระองค์กําหนดมาให้เรานั้นเกิดมาจากความเป็นดูของพระองค์เกิดมาจากพิกมะของพระองค์สิ่งที่เราต้องทําก็คือในอายัดสุดท้ายของคืนนี้นะครับเมืงกาญยูรีดูฮาร์เซลอาคราห์นจิดละฮูฟีฮาร์เ ใช่ไหมยังคงเกี่ยวโยงกับอัคคีระห์อยู่คนกาเฟิร์ยกเยอเยอว่าวันเมื่อไหรจะมีอัคคีระห์ในขณะที่ผู้ศรัทธานั้นเป็นห่วงตัวเองว่าอัคคีระห์นี่จะมาอจะจ ะ, จะเจออะไรในวันอัคคีระห์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราโฟกัสที่อัคคีระห์ดุ尼亚จะสู้เราเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรายุ่งอยู่กับดุน尼亚เนี่ยบางทีเราก็เหนื่อยเพราะดุน尼亚สู้เรากลับเราโฟกัสไปที่อัคคีระห์ เพราะว่ามันกคน่าอยาดูภารสลอาคิรใครก็ตามที่ต้องการภารสลอาคิร์หมายถึงอะไระภาษาไทยไม่ได้แปล น, นะ h a รสเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราจะเก็บเกี่ยวเราปลูกทำซุ้ยทาอะไรนะทาทาไร่ทำสวนเวลาที่มันออกดอกออกผลเนี่ยนี่คือ h a ร์ส มันมีอยสองอย่างาล رة, ผลตอบแทนในวันอัคราผลตอบแทนในดุนอัคราผลตอาบอารที่ต้องการผลตอบแทนในวันอดลกพระองค์จะเพิ่มให้เท่าทวีคูณในผลตอบแทนของเขาเพราะฉะนั้นเหนื่อยกับดุนยกไปโฟกัสที่อัคราเพราะว่า เราแต่เราจะเพิ่มให้ในอัคค ah. nah. ีระห์เนี่ยอย่างมากมายหนึ่งความดีที่เราทําในดุ نية เพืออัคคีระห์อย่างน้อยคูณสิบให้เลยสิบสิบนี่ขั้นต่ํานะบางทีอาจจะถึงยี่สิบกว่าบางถึงอาจจะเป็นเจ็ดร้อยบางถึงบางทีอาจจะถึงเท่าไร่โดยที่ไม่คํานวณถ้าเราโฟกัสไปที่อัคคีรอห์ แต่ถ้าเราโฟกัสไปที่ดุ نية Allah ตาลาบอกว่านุกที่มินหนฮกเราจะให้เขาบางส่วนจากมันไม่ใช่ให้ทั้งหมดแล้วอีหละอีลอัลลอฮอัครีละพระองค์เพิ่มให้แต่ถ้าดุน ي ة พระองค์จะให้แค่ส่วนเดียวต่างกันเยอะมากเลยไม่ได้ให้ร้อยเปอร์เซนตด้วยนะบางทีเราให้กับดุเนย100ียร้อยเปอร์เซนตแต่ผลกําไรที่เราได้มาถึงร้อยไหมไม่ถึง บางทีได้แค่สิ บ, บางทีได้แค่บางทีติดลบได้ซ้ำไปถ้าเป็นดุน ي าอะคริมีไหมติดลบถ้าเราทำเพื่ออะคริไม่มีไม่มีติดลบเลยบวกตลอดแต่ดุน ي าเนี่ยอาจจะติดลบถ้าบวกก็บวกไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตละอิละห์อิละลลอฮเพราะฉะนั้นโฟกัสให้ถูกที่พี่น้องครับนักวิชาการบางคนอธิบายว่านี่แหละคือความสาคัญของการ ตั้งเจตนากันเนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่อีกข้อหนึ่งของศาสนาอิสลามมุสลิมสามารถที่จะตั้งเจตนาได้ในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องดุน ي ة ที่เขาทําเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งเจตนาเพื่ออัคเครอตได้นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างเราแต่ละคนเนี่ยพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยบางที ไม่ได้ตั้งจตนาเราตั้งเจตนาอะไรบ้างนี่ที่เรามานั่งเรียนกันตรงนี้บางคนตั้งเจตนาเพื่อดุนยาอย่างเดียวมานั่งเรียนเพราะว่าว่างไม่รู้จะทําอะไรที่บ้านฆ่าเวลาเขาก็ได้เฉพาะเฉพาะจุดประสงค์ที่เขาตั้งเจตนาแต่ถ้าบางคนตั้งเจตนาได้อย่างถูกต้องเรียนเพราะต้องการที่จะรับทราบรับรู้ศาสนาของล l l a h ตาลตาลผ่านคำพีของพระองค์เห็นไหมมันมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ที่หัวใจของเราแต่ละคน ต้องมีทักษะในเรื่องนี้ด้วยถ้าใครอยากจะได้เาเรียกว่าผลตอบแทนความมั่งคั่งที่ไม่สิ้นสุดจลลาก Allah Subhanahu t a a วะต้องรู้จักทักษะในการตั้งเจตนาเนี่ยของตัวเองให้ถูกต้องก็สามารถจะปรับเป็นถ้าเราตั้งเจตนาได้เข้าใจ นะครับ